สถานีวิรุคราบกรัวข่าวศตวรรษเอ็มร้กข้าพเจาพระมหาไพบูลาพี่ปุณโญมาพบกับท่านผู้ฟังตังแต่วันจันทร์ถึงวันศุกร์โดยในช่วงของวันจันทร์ถึงวันพุธนั้นก็จะนําธรรมะต่างๆเป็นเรื่องราวในคางคําสอนของพระพุทธเจ้านี่แหละอาจจะเป็นส่วนที่เป็นคําอธิบายอาจจะเป็นส่วนที่เป็นพุทธพจน์มาอ่านมาเล่าให้ท่านผู้ฟังฟัง ในวันพระฤหัสและสุกนั้นก็จะมาพร้อมกับคุณสันสนีนาคพงศ์มาพูดจาสาขะชาในหมวดที่เป็นเรื่องเกี่ยวกับการปัจจุบันในเรื่องทั่วไปในชีวิตประจาวันของเราหรือแม้แต่เรื่องการปฏิบัติก็ตามก็จะนําเรื่องราวเหล่านี้มาให้ทุกฝั่งได้ฟังในช่วงตั้งแต่วันจันทร์และวันอังคารที่ผ่านมาเราได้ฟังเรื่องของสามเณรรูปหนึ่งที่ชื่อว่าบัณฑิตสามเณร แตเรื่องราวตรงนี้เป็นเรื่องที่อธิบายคาถาในฝั่งวต่คือที่เป็นพุทธพจน์พระพุทธเจ้าตรัสคำใดคาหนึ่งเอาไว้อันนี้เป็นสิ่งที่เราจะต้องศึกษายกไว้ทําความเข้าใจเลยว่าทำไมพระพุทธเจ้าผู้เรื่องนี้ตรัสเรื่องนี้พระอะไรปรารบใครเหตุมายังไงซึ่งคถาหรือคํากล่าวของพระพุทธเจ้านี่ที่เป็นพุทธบัญญัตเป็นพุทธพจน์เป็นตถาคตภาสิทธเป็นปาพจน์เป็นแม่บทเป็นมาติกาเนี่ เราจะต้องฟังให้ดีทำในใจให้ดีเรื่องราวมาเป็นยังไงมีบริบทอย่างไรกระจายความหมายไปได้อย่างไรอย่างไรในเนื้อหาที่เรายกมาคุยกันในที่นี้ก็คือการฝึกจิตของตัวเองบัณฑิตย่อมฝึกต้นทำไมอ่ะเอาก้อนน้ามันยังไหลเข้าไปในนาได้ ท, ทั้งทั้งที่มันไม่มีจิตไม่มีใจช่างสอนก็ยังดัดลูกศรที่มันงอให้มันตรงได้ ท, ทั้งทั้งที่ลูกศรก็ไม่มีจิตไม่มีใจ หรือช่างถากไม้เขายัางถากไม้ให้มันโคง้งให้มันตรงทําเป็นโกงล้อดได้ตามที่เขาต้องการทั้งๆ ท, ท, ที่ไม้นั้นก็ไม่มีจิตไม่มีใจคําที่ยกมาอธิบายตรงนี้ก็บารอบเรื่องราวของบัณฑิตสามเณรที่เราได้ฟังไปในลักษณะเดียวกันก็ยังมีเรื่องราวของสุขาสามเณรเหมือนกันที่มีเรื่องราวคล้ายๆกับบัณฑิตสามเณรในตอนส่วนที่ท่านบําเพ็ญสมณธรรมแล้ว แต่ว่าเนื้อหาเรื่องราวในส่วนตอนต้นว่ามีความเป็นมาอย่างไรบดิษสามเณรในชาติก่อนเป็นทุกขตาบุคคลส่วนสุขาสามเณรในชาติก่อนก็เป็นคนยากจนเหมือนกันวันนี้ข้าพเจ้าก็จะนำเรื่องของสุขาสามเณรมาให้ท่านผู้ฟังได้ฟังเรื่องนี้ดั้งเดิมเป็นอย่างนี้ในอดีตการมีบุตรของเศรษฐีชาวกรุงพาราสีคนหนึ่ง ชื่อว่าคันทกุมารแม้เมื่อบิดาของเธอถึงแก่กรรมแล้วพระราชารับสั่งให้เธอมาเฝ้าทรงปลอบโยนแล้วได้พระราชทานตําแหน่งเศรษฐีแก่เธอนั่นแหละด้วยสาการ r g a เป็นอันมากจำเดิมแต่การนั้นมาคันทกุมานนั้นได้ปรากฏนามว่าคันทัเศรษฐีครั้งนั้น ผู้รักษาเรือนกลังของเศรษฐีนั้นได้เปิดประตูห้องสำหรับเก็บทรัพคขนออกมาแล้วชี้แจงว่านายรั์นี้ของบิดาท่านมีประมาณเท่านี้ของบุราพาบุรุษมีปู่เป็นต้นมีจำนวนเท่านี้เศรษฐีนั้นแลดูกองทรัพ์นั้นแล้วพูดว่า ก็ทำไมบุรพบุรุษเหล่านั้นจึงไม่ได้ถือเอาทรัพย์เหล่านี้ไปด้วยผู้รักษาเรือนกลังตอบว่านายชื่อว่าผู้ที่จะถือเอาทรัพย์ไปด้วยไม่มีแท้จริงสัตว์ทั้งหลายพาเอาแต่กุศลและอกุศลที่ตนได้ทำไว้เท่านั้นไปตอนเศรษฐีจ่ายทรัพย์สร้างสิ่งต่างๆ เศรษฐีนั้นคิดว่าบุตุภพบุตรเหล่านี้พากันสั่งสมทรัพย์ไว้แล้วก็ละทิ้งไปเสียเพราะความที่ตนเป็นคนโง่ส่วนเราจะถือเอาทรัพย์นั่นไปด้วยก็กันตาเศรษฐีเมื่อคิดอยู่อย่างนั้นมิได้คิดว่าจะให้ทานหรือจะทำการบูชาคิดแต่ว่าจะบริโภคทรัพย์นี้ให้หมด แล้วจึงไปเศรีนั้นได้สละทรัพย์แสนหนึ่งให้ทํำซุ้มที่อาบน้ําอันแล้วด้วยแก้วผลึกจ่ายทรัพย์แสนหนึ่งให้ทํากระดานสําหรับอาบน้ําอันแล้วด้วยแก้วผลึกเหมือนกันจ่ายทรัพย์แสนหนึ่งให้ทำบันหลังสําหรับนั่งจ่ายทรัพย์แสนหนึ่งให้ทําถาด สำหรับใส่โภชนะจ่ายทรัพย์อีกแสนหนึ่งให้ทำมนดบในที่บริโภคจ่ายทรัพย์แสหนึ่งให้ทำเตียงรองถาดภาชนะให้สร้างศีหะบรรจรไว้ในเรือนด้วยทรัพย์แสหนึ่งเหมือนกันได้จ่ายทรัพย์พัหนึ่งเพื่อประโยชน์แก่อาหารเช้าของตนจ่ายทรัพย์อีก1 0 0หนึ่ง แม้เพื่อประโยชน์แก่อาหารเย็นแต่ในวันเป็นได้สั่งจ่ายทรัพย์แสนหนึ่งเพื่อประโยชน์แก่โภชนะในวันบริโภคพัดนั้นท่านเศรษฐีได้สละรัพย์แสนหนึ่งตกแต่งพระนครใช้คนเที่ยวตีกลองประกาศว่าได้ยินว่ามหาชนจงดูรีลา แห่งการบริโภคพัดของคันธาเสตีหนังนี้มหาชนได้ผูกเตียงซ้อนเตียงประชุมกันแล้วคือแห่กันมาดูฝ่ายคันธาเสตีนั้นนั่งบนแผ่นกระดานอันมีค่าแสนหนึ่งในสุมอาบน้ำอันมีค่าแสนหนึ่งอาบน้ำด้วยหม้อน้ำหอมสิบหกหม้อ เปิดสีหบัญจอ น, นั้นแล้วนั่งบนบันลังนั้นกานั้นพวกคนใช้วางถาดนั้นไว้บนเตียงรองนั้นแล้วคโคตโพชนะอันมีค่าแสนหนึ่งเพื่อเศรษฐีนั้นท่านเศรษฐีอั้นหญิงนักฟ้อนแวดล้อมแล้วบริโภคโพชนะนั้นอยู่ด้วยสมบัติเห็นป่านนี้ ตอนคนบ้านนอกกระหายในพัดของเศรษฐีโดยสมัยอื่นคนบ้านนอกผู้หนึ่งบรรทุกฝืนเป็นต้นใส่ในยานย่อมๆเพื่อต้องการแลกเปลี่ยนเสบียงอาหารสำหรับตนไปถึงพรรณกรแล้วก็พักอยู่ในเรือนของสหายก็การนั้นเป็นวันเป็น ชนทั้งหลายเที่ยวตีกลองประกาศในพลนักก่อว่ามหาชนจงดูลีลาแห่งการบริโภคของท่านกันตาเศรษฐีครั้งนั้นสหายจึงกล่าวกับชาวบ้านนอกนั้นว่าเพื่อนเอ๋ยลีลาแห่งการบริโภคพัดของกันตาเศรษฐีเพื่อนเคยเห็นรึชาวบ้านนอกไม่เคยเห็นเลยเพื่อน สหายชาวเมืองถ้ากระนั้นมาเติดเพื่อนเราจะไปด้วยกันกลองนี้เที่ยวไปตูวพระนครเราจะดูสมบัติใหญ่สหายชาวเมืองได้พาสหายชาวบ้านนอกไปแล้วแม้มหาชนก็ได้พากันขึ้นเตียงซ้อนเตียงดูอยู่สหายชาวบ้านนอกพอได้สูดกลิ่นพัดก็พูดกับ สายชาวเมืองว่าฉันเกิดกระหายในก้อนพัดในถาดนั่นแล้วล่ะเพื่อนสายชาวเมืองเพื่อนอย่าปรารบก้อนพัดนั้นเลยเราไม่อาจจะได้หรอกชาวบ้านนอกเพื่อนเหนยก็เมื่อไม่ได้ก็จะไม่เป็นอยู่ต่อไปละ่ะสหายชาวเมือง น, นั้นเมื่อไม่อาจห้ามสหายชาวบ้านนอกนั้นไว้ได้ยืนอยู่ท้ายบริษัท เพลงเสียงดังสามครั้งว่านายฉันไหวท่านก็เมื่อขันธะเศรษฐีถามว่านั่นใครเขาจึงตอบว่าผมครับนายเศรษฐีจึงถามว่านี่อะไรกันสายชาวเมืองคนบ้านนอกผู้หนึ่งนี้เกิดกระหายในก้อนพัดในถาดของท่านขอท่านกรุณาให้ก้อนพัดก้อนหนึ่งเถิด เศรษฐีไม่อาจาได้รองสายชาวเมืองคําของเศรษฐีเพื่อนได้ยินไหมายเพื่อนชาวบ้านนอกฉันได้ยินแล้วเพื่อนก็แต่ว่าถ้าเมื่อฉันได้จะเป็นอยู่เมื่อไม่ได้ความตายจะมีสหายชาวเมืองจึงร้องขึ้นอีกว่านายได้ยินว่าชายคนนี้เมื่อไม่ได้ก็จะตาย ขอท่านจงให้ชีวิตแกเขาเถิดคันทเศรษฐีธัมปุจเจรญชื่อว่าก้อนพัดนี้ย่อมถึงค่าร้อยหนึ่งก็มีสองร้อยก็มีผู้ใดผู้ใดย่อมขอเมื่อให้แกผู้นั้นผู้นั้นฉันจะบริปโภคอะไรเล่าสายชาวเมืองนายชายคนนี้เมื่อไม่ได้จะตายขอท่านจงให้ชีวิตแกเขาเถิด กันได้เศรษฐีเขาไม่อาจได้ประปาวก็ถ้าเขาเมื่อไม่ได้จะไม่เป็นอยู่ใช้ชายนั้นจงทำการรับจ้างในเรือนของฉันสามปีฉันจะให้ถาดพัดแก่เขาทาดหนึ่งตอนชาวชนบทยอมทำงานรับจ้างในบ้านเศรษฐีชาวบ้านอกฟังคมนั้นแล้วจึงพูดกับสหายว่า อย่างนั้นเอาล่ะเพื่อนณ น, นี้แล้วได้ละบุตรและปริยาเข้าไปสู่เรือนของเศรษฐีด้วยหมายใจว่าจะทำการรับจ้างตลอดสามปีเพื่อประโยชน์แก่พัดถานหนึ่งเขาเมื่อทำการรับจ้างได้ทำกิจทุกอย่างโดยเรียบร้อยการงานที่ควรทำในบ้านในป่า ในกลางวันกลางคืนได้ปรากฏว่าเขาทําเสร็จเรียบร้อยเมื่อมหาชนเรียกเขาว่านายพัตตะพติกะคํานั้นได้ปรากฏไปทั่วพระนครในการต่อมาเมื่อวันรับจ้างของนายพัตตะพติกะครบบริบูรณ์แล้วผู้จัดการพัดเรียนกับเสษติว่านาย วันรับจ้างของนายพัฒนพัตติกะครบบริบูรณ์แล้วเขาทำการรับจ้างอยู่ตลอดสามปีทำกรรมยากที่คนอื่นจะทำได้แล้วการงานแม้สักอย่างหนึ่งก็ไม่เคยเสียหายกระงนั้นท่านเศรษฐีได้สั่งจ่ายทรัพย์สามพันแก่ผู้จัดการปัดนั้นคือสองพันเพื่อประโยชน์แก่อาหารเย็น และอาหารเช้าของตนพันหนึ่งเพื่อประโยชน์แก่อาหารเช้าของนายพัตตะพติกานั้นแล้วสั่งกลใจว่าวันนี้พวกเจ้าจงทาการบริหารที่พึงทำแก่เราแกนายพัตตะพติกานั้นเถิดก็แลกรันสั่งแล้วจึงสั่งแม้กับชนที่เหลือเว้นปรยาที่เป็นที่รัก นามว่าจินดาบดีคนเดียวว่าวันนี้พวกเจ้าจงแวดล้อมนายพัตตะพัติกะนั้นเถิดเห่านี้แล้วก็มอบสมบัติทั้งหมดให้แกนายพัตตะพัติกะนั้นตอนนายภัตตะพัติกะเตรียมบริโภคพัดนายภัตตะพัติกะนั่งบนแผ่นกระดานนั้นในซุ้มนั่นแล อาบน้ำด้วยน้ำสำหรับอาบของเศรษฐีนุ่งผ้าสาดกสำหรับนุ่งของเศรษฐีนั่นแหละแล้วนั่งบนบันลังของเศรษฐีนั้นเหมือนกันแม้ท่านเศรษฐีก็ใช้ให้คนเอากลองเที่ยวตีประกาศไปในพระณากรว่านายพระตภติกะทำการรับจ้างตลอดสามปีในเรือนของคันตาเศรษฐี ได้ถาดพัดถาดหนึ่งขอสนทั้งหลายจงดูสมบัติแห่งการบริโภคของเขามหาชนได้ขึ้นเตียงซ้อนเตียงดูอยู่ที่ที่ชายชาวบ้านนอกแลดูแ ล, ด, แลดูแล้วก็ได้ถึงอาการหวั่นไหวพวกนักฟ้อนได้ยืนล้อมนายพัตตะภัติกานั้นพวกคนใช้ยกถาดพัต ถาดหนึ่งตั้งไว้ข้างหน้าของนายพระตะพติกะนั้นแล้วครั้งนั้นในเวลาที่นายพระตะพติกะนั้นล้างมือพระปัจเจกะพุทธเจ้าองค์หนึ่งที่ภูเขากันตมาศออกจากสมาบัติในวันที่เจ็ดแล้วไกรกรโดอยู่ว่าวันนี้เราจะไปเพื่อประโยชน์แก่พิขาจารในที่ไหนหนอแล ก็ได้เห็นนายพัฒนาปฏิกะแล้วครั้นท่านพิจารณาต่อไปว่านายพัฒนาปิกะนี้ทำการรับจ้างถึงสามปีจึงได้ถาดพัสศรัทธาของเขามีหรือไม่หนอะไกรโกรุนไปก็ทราบว่าศรัทธาของเขามีอยู่จึงคิดไปอีกว่าคนบางพวกถึงมีศรัทธา ก็ไม่อาจาเพื่อทำการสงเคราะห์ได้ในปาฏิป ต, ติกานี้จะอาจหรือไม่เนอเพื่อจะทำการสงเคราะห์เราก็เกิดความรู้ขึ้นบ่าในปาฏิภ ต, ติกาจะอาจทีเดียวทั้งจากได้มหาสมบัติเพราะอาศัยเหตุคือการสงเคราะห์แก่เราด้วยดังนี้แล้วพระปัจเจกับพุทธเจ้าจึงห่มจีบอลถือบาตร ขึ้นไปสู่อากาศโดยระหว่างบริษัทแสดงตนยืนอยู่ข้างหน้าแห่งนายพัตตพติกะนั้นนั่นแหละตอนนายพัตตพติกะถวายพัดแก่พระปัจเจ ก, กพุทธเจ้าก็นายพัตตพติกะนั้นเห็นพระปัจเจ ก, กพุทธเจ้าแล้วคิดว่า เราได้ทำการรับเจ้าในเรือนคนอื่นถึงสปีก็เพื่อประโยชน์แก่ถาดพัดถาดเดียวเพราะความที่เราไม่ได้ให้ทานในการก่อนบัดนี้พัดนี้ของเราพึงรักษาเราก็เพียงวันหนึ่งคืนหนึ่งก็ถ้าเราจะถวายพัดนั้นแก่พระผู้เป็นเจ้าพัดนี้จะรักษาเราไว้หลายโกฎกับเราจะถวายพัดนั้น แก่พระผู้เป็นเจ้าละนายระตประปฏิกะนั้นทำการรับจ้างตลอดสามปีได้ถาดพัดแล้วไม่ทันวางพัดแม้ก้อนเดียวในปากบรรเทาความอยากแล้วยกถาดพัดขึ้นเองทีเดียวไปสู่สำนักของพระปัจเจ ก, กพุทธเจ้าให้ถาดในมือของคนอื่นแล้วไหว้ด้วยเป็นจางข้าประดิษฐ์แล้ว เอามือซ้ายจับถาดพัดเอามือขวาเกลียพัดลงในบาทของพระปัจเจกพุทธเจ้านั้นพระปัจเจกพุทธเจ้าได้เอามือปิดบาทเสียในเวลาที่พัดยังเหลืออยู่กึ่งหนึ่งครั้งนั้นนายพระตาพัติกะนั้นจึงเรียนทันว่าท่านขรับพัดส่วนเดียวเท่านั้น ผมไม่อ่านเพื่อจะแบ่งเป็นสองส่วนได้ท่านอย่าสงเคราะห์ผมในโลกนี้เลยขอจงทำการสงเคราะห์ในประโลกเถิดผมจะถวายทั้งหมดทีเดียวไม่ให้เหลือตอนทานที่ถวายไม่เหลือมีผลมากจึงอยู่ทานที่บุคคลถวายไม่เหลือไว้เพื่อตนแม้แต่น้อยหนึ่งชื่อว่าทานไม่มีส่วนเหลือ ถาด น, นั้นย่อมมีผลมากนายพัตพตาพติกะนั้นเมื่อทำอย่างนั้นจึงได้ถวายหมดว่าอีกแล้วเรียนว่าท่านกรับผมอาศัยถาดพัตถาดเดียวต้องทำการรับจ้างในเรือนของคนอื่นถึงสามปีได้เสวยทุกแล้วบัด น, นี้ขอความสุขจงมีแก่กระผมในที่ที่บังเกิดแล้วเถิด ขอกระผมพึงมีส่วนแห่งธรรมะที่ท่านเห็นแล้วเถิดพระปัจเจกับพรุทธเจ้ากล่าวว่าขอจงสมคิดเหมือนแก้วสารพัดนึกความดำริอันให้ความใกล้ทุกอย่างจงบริบูรณ์แก่ท่านเหมือนพระจันทร์ในวันเพ็ญฉะนั้นและเมื่อจะทำอนุโมทนาจึงกล่าวคำที่ปู่เป็นกาตาว่า สิ่งที่ท่านมุ่งหมายแล้วจงสําเร็จพลันทีเดียวความดำริทั้งปวงจงเต็มเหมือนพระจันทร์ในวันเพ็ญสิ่งที่ท่านมุ่งหมายแล้วจงสําเร็จพลันทีเดียวความดำริตทั้งปวงจงเต็มเหมือนมณีโชติรสฉะนั้นดังนี้แล้วพระบัจเจกบุทรเชา้าจึงน่าอธิฐานว่าขอมหาชนนี้ จงยืนเห็นเราจนกระทั่งถึงภูเขาขันธมาเติดก็ได้ไปสู่ภูเขาขันธมาดโดยทางอากาศแล้วถึงมหาชนก็ได้ยืนเห็นท่านอยู่นั่นแหละพระปัจเจ ก, กพุทธเจ้าไปภูเขาขันธมาดแล้วได้แบ่งบินดาบา น, นถวายแก่พระปัจเจ ก, กพุทธเจ้า5 0 0รรูปพระปัจเจ ก, กพุทธเจ้าทุกทุกรูป ได้รับเอาพัดเพียงพอแก่ตนแก่ตนแล้วไกลๆไม่พึงคิดว่าบินาบาบเล็กน้อยจะพอเพียงได้อย่างไรด้วยว่าอาจินไตยสี่อย่างพระพุทธเจ้าตรัสไว้แล้วในอจินไตยสี่เหล่านี้นี้เป็นปัจเจกับพุทธวิสัยแหละตอนพันธสิษธี แบ่งทรัพย์ให้ในายพัตตะัติกะมหาชนเห็นบินทบาทที่พระปัจเจ ก, ก, กพุทธเจ้าแบ่งถวายแก่พระปัจเจ ก, ก, กพุทธเจ้าทั้งหลายอยู่ก็ได้พากันยังพันแห่งสาธุการให้เป็นไปแล้วเสียงสาธุการได้เป็นประหนึ่งเสียงอัศนีบาทขันตเสตถีได้ยินเสียงนั้นแล้วจึงคิดว่า นายพัตัาพติกะเห็นจะไม่สามารถทรงสมบัติที่เราให้แล้วได้เพราะเหตุ น, นั้นมหาชนนี้เมื่อทำการหัวเราะยะักจึงได้อื้อเฉาขึ้นท่านเศรษฐีนั้นทรงคนไปเพื่อทราบเรื่องราวที่เป็นไปแล้วคนเหล่านั้นมาแล้วบอกว่านายขอรับธรรมดาผู้ทรงสมบัติย่อมเป็นเห็นปานนี้ดังนี้แล้ว จึงบอกเรื่องราวที่เป็นไปแล้วนั้นเศรษฐีฟังเรื่องนั้นแล้วเป็นผู้มีสริระอันปีติมีวันนะห้าถูกต้องแล้วจึงกล่าวว่าน่าสจใจจริงนายพระตาพัติกะนั้นทำสิ่งที่บุคคลทำได้ยากแล้วเราดำรงอยู่ในสมบัติเห็นป่านนี้ตลอดการมีประมาณเท่านี้ยังไม่อาจ เพื่อให้สิ่งไรได้เลยใ น, นนี้แล้วจึงเรียกนายพระตะพัติกะนั้นมาแล้วถามว่าได้ยินว่าเธอทํำคำชื่อนี้จริงหรือก็เมื่อเขายืนยันรับดังนั้นแล้วจึงกล่าวว่าเอาเถิดเธอจงถือเอาทรัพย์พันหนึ่งแล้วแบ่งส่วนบุญในทางของเธอให้ฉันบ้างนายพระตะพัติกะนั้น ได้ทำตามนั้นแล้วแม้เศรษฐีก็ได้แบ่งครึ่งทรัพสมบัติอันเป็นของของตนให้แก่นายพระตาพติกะนั้นตอนสัมปทาสี่อย่างจึงอยู่ชื่อว่าสัมปทามีสี่อย่างคือวัตถุสัมปทาปัจจัยสัมปทาเจตนาสัมปทาคุณาติเรกสัมปทา ในสัมปทาคือความตึงพร้อมทั้งสี่อย่างนั้นพระทักกิเนียบุคคลคือพระอาหารหันต์หรือพระอนาคามีผู้เข้านิโรธสมาบัติผู้เป็นทักกิเนียบุคคลชื่อว่าวัตถุสัมปทาการบังเกิดขึ้นแห่งปัจจัยทั้งหลายโดยทำสม่ำเสมอชื่อว่าปัจจัยสัมปทา ความที่เจตนาในสามการคือในการก่อนแต่ให้ในการกําลังให้ในการภายหลังสัมปยุทธ์ด้วยยานอันกํากับด้วยโสมนัสชื่อเจตนาสัมปทาส่วนความที่พระทักขีในยะบุคคลออกจากสมาบัติชื่อว่ากุณติเรกสัมปทาก็สัมปทาทั้งสี่อย่าง คือพระปัจเจกพุทธเาผู้ขี่นาศเป็นทักษิณิยบุคคลปัจใจที่เกิดแล้วโดยธรรมด้วยการทำการจ้างได้แล้วเจตนาบริสุทธิ์ในสาการพระปัจเจกบุทธเาผู้ออกจากสมาบัตเป็นผู้ยิ่งด้วยคุณสำเร็จแล้วแก่นายพัฒนาพัฒิกานี้ด้วยอนุภาพแห่งสัมปทาสีนี้นายพัฒนาพัิกะ จึงบรรลุมหาสมบัติในทันตาเห็นทีเดียวเพราะฉะนั้นนายพระตะพัติกานั้นจึงได้สมบัติจากสำนักของเศรษฐีกในการต่อมาแม้พระราชาทรงสลับกรรมที่นายพระตะพัติกานี้ทำแล้วจึงได้รับสั่งให้เรียกเข้ามาเฝ้าและพระราชทานทรัพย์ให้พันหนึ่งทรงรับส่วนบุญ ทรงพอรพระทัยพระราชทานโภคเป็น น, นมากแล้วก็ได้พระราชทานตาแหน่งเศรษฐีให้เขาได้มีชื่อว่าพัตตะพัติกะเศรษฐีพัตตะพัติกะเศรษฐีนั้นเป็นสหายกับคันท่เศรษีกินดื่มร่วมกันน้ำลงอยู่ตลอดอายุแล้วจุติจากอัต ภ, ภาพนั้นแล้วได้บังเกิดในเทวโลกเสวยสมบัต อันเป็นทิพหนึ่งพุทธันดอนในพุทธุปปะบาทการนี้ได้ถือปฏิสนธิในตระกูลอุปตากของพระสารีบุตรเทระในเมืองสาวัตถีตอนนายพระตะพติกะไปเกิดในเมืองสาวัตถีครังนั้นได้คันบริหารแล้วโดยล่วงไปสองถึงสามวัน ก็เกิดแปลต่อองบ่าอ้วนอนเราถวายโภชนะมีรถร้อยชนิดแก่พระสารีบุตรเทระพร้อมด้วยภิกษุห้าร้อยรูปนุ่งผ้าย้อมน้ำฝาดแล้วถือขันธทองนั่งอยู่นะท้ายอาสนะพึ่งบริโรภคพัด ท, ที่เหลือเดนของภิกษุทั้งหลายนั้นดังนี้แล้วก็ได้ทำตามความคิดนั้นนั่นแหละ บรรเทาความแปรตองแล้วนางแม้ในการมงคลอื่นๆถาวายทานอย่างนั้นเหมือนกันกรอดบุรแล้วในวันตั้งชื่อจึงเรียนพระเทราบาขอท่านจงให้สิกขาบทแก่ลูกชายกองที่ฉันเถิดท่านผู้เจริญพระสารีบุตรเทระตามบ่าเด็กนั้นชื่ออะไรเมื่อมารดาของเด็กเรียนว่า ท่านผู้เจริญจำเดิมแต่ลูกชายของฉันถือปฏิสนธิขึ้นชื่อว่าทุกไม่เคยมีแก่ใครในเรือนนี้เพราะฉะนั้นคาว่าสุ ข, ขากุมาร น, นั่นแหละจะเป็นชื่อของเด็กนั้นท่านพระสารีบุตรจึงถือเอาคำนั่นแหลเป็นชื่อของเด็กนั้นให้สิกาบทแล้วและนั่นก็คือกำเนิดของเด็กชายสุ ข, ขะที่ ภายหลังก็ได้บวชเป็นสามเณรชื่อว่าสุขาสามเณรก็ลักษณะเดียวกับบัณฑิตสามเณรทั้งบุฟังที่ว่าเมื่อบวชแล้วในวันที่แปได้ไปบินดาบาดกับพระอุปชาเห็นเมืองน้ําก็คือฝายน้ํานั่นแหละคนเขามีกังหันทดจากฝายน้ําเข้าไปในนาเขาได้เห็นช่างส อ, อนดัดลูกศอนเห็นคนถากไม้ถากไม้ก็เลยมีความคิดว่าเอาแล้วเท่า สิ่งเหล่านี้ไม่มีจิตไม่มีใจยังสั่งบังคับได้แล้วทำไมคนเรามีจิตมีใจจะบังคับสั่งการไม่ได้ก็เลยขอพระอุปชากลับมาที่วัดบาเพ็ญสมณธรรมนำบุญกุศลที่ท่านได้สร้างเอาไว้ท่งนผู้ังทำให้เห็นสิ่งต่งตางๆเหล่านี้ได้เม่กีดูตอนที่เป็นคนยากจนเป็นคนหาฟืนทำงานตั้งสามปีกว่าจะได้ข้าวแค่ถาดเดียวยังไม่ทันเอาอาหารใส่ในปาก เห็นพระป่าเจกับพุทธเจ้ามาบิณฑบาตรยังเอาอาหารใส่ในบาทของท่านก่อนด้วยความคิดว่าอาหารถ้าเรากินเองมันก็รักษาตัวเองได้แค่มื้อเดียววันเดียวแต่ถ้านําออกด้วยการให้ทานบุญนี้จะรักษาไปตลอดกาลนานด้วยบุญนี้แหละท่านบุฟังทําให้มีโพชนาร้ายชนิดเกิดขึ้นทําให้มีโภชนาร้ายชนิดเกิดขึ้นเกิดในตระกูลที่ร่ํารวยสามารถมองเห็นรายละเอียดต่างๆในธรรมะ ในที่คนอื่นอาจจะเห็นไม่ได้แต่ตัวท่านนั้นก็เห็นได้เรามาฟังเรื่องราวกันต่อไปตัมบวังหลังจากที่สุการสามเณรได้กลับมาถึงวิหารแล้วมาเป็นสมณธรรมแล้วก็ได้บรรลุปเป็นพระอรหันต์ให้ตัมบูฟังฟังตอนต่อของตอนจบในเรื่องของสุการสามเณรส่วนข้าพเจ้าก็จะขอลารายการไปเลยแล้วพบกันใหม่ในวันพรุ่งนี้จริันปอนสามเณรนั้นไปวิหารแล้วเปิดห้องของพระเทระ เข้าไปแล้วปิดประตูนั่งอย่างยานลงในกายของตนด้วยเดชแห่งคุณของสามเณรนั้นอาสนะของเทา้าสกะแสดงอาการร้อนแล้วเทาว้าสกะพิจารณาดูว่าด้วยเหตุอะไรหนอเห็นสามเณรแล้วทรงนรํารีว่าสุขะสามเณรถวายจีวรแก่อุปชาลแล้ว กลับวิหารด้วยคิดว่าจะทำสมณธรรมควรที่เราจะไปในที่นั้นจึงรับสั่งเรียกท้ามหาราชทั้งสี่แล้วทรงส่งไปด้วยดมรัตว่าพวกท่านทั้งหลายจงไปจงไล่นกที่มีเสียงเป็นโทษใกล้ป่าแห่งวิหารให้หนีไปท้ามหาราชทั้งหลายกระทาตามนั้นแล้ว ก็พากันรักษาอยู่โดยรอบท้าวสั ก, กะส่งบังคับพระจันทร์และพระอาทิตย์บ่าพวกท่านจงยึดวิมานของตนของตนหยุดไว้ก่อนแม้พระจันทร์และพระอาทิตย์ก็กระตำตามนั้นแล้วแม้ท้าวสั ก, กะเองก็ทรงรักษาอยู่ที่สาอยู่พิหารสงบเงียบปราศจากเสียงสามเณรเจริญวิปัสนา ด้วยจิตมีอารมณ์เป็นหนึ่งบรร ล, ลุมรรคและผลสามแล้วประเตระอันสามเณรกล่าวว่าพึ่อนำโพชนะมีรสร้ยชนิดมาดังนี้แล้วก็มีความคิดว่าอันเราอาจเพื่อได้ในตระกูลของใครเนาะแลเมื่อพิจารณาดูอยู่ก็เห็นตระกูลอุปถากผู้สมบูรณ์ด้วยอัตยศัยตระกูลหนึ่ง จึงไปในตระกูลนั้นอันชนเหล่านั้นมีใจยินดีว่าท่านผู้เจริญวันนี้ท่านมาที่นี้ดีจริงๆจึงรับบาทนิมนต์ให้นั่งถวายยากูและของกบฉันอันเขาเชิญกล่าวธรรมชั่วเวลาพัดจึงกล่าวสารณียธรรมมถาแกชนเหล่านั้นกำหนดการแล้วจึงจบเทศนา ตอนสุกาสามเนนบรรลุพระหรหันตที่นั้นจนทั้งหลายถวายโภชนะมีรสร้ายชนิดแก่พระเตระนั้นเห็นพระเต ร, ระรับโภชนะนั้นแล้วประสงค์จะกลับจึงเรียนว่าขอให้ท่านฉันเถิดกรับพวกผมจะถวายโภชนะแม้อื่นอีก จึงให้พระเทรรฉันแล้วก็ถวายจนเต็มบาทอีกพระเตระรับโภชนะนั้นแล้วก็รีบไปวิหารด้วยคิดว่าสามเณรจะหิววันนั้นพระาศาสดาเสด็จออกประทับนั่งในพระคันธ ก, กุฎีแต่เช้าตรู่ทรงรำพึงว่าวันนี้สุขาสามเณร ให้บาทและจีวรของอุปชาแล้วกลับไปด้วยตั้งใจว่าจะทำสมณธรรมกิจของเธอเสร็จแล้วหรือพระองค์ทรงเห็นความที่มรรคผลทั้งสามเตี่ยวอันสามเณรบรรลุแล้วจึงทรงพิจารณาให้ยิ่งขึ้นไปว่าสุขสามเณรนี้จะอาจไหมหนอเพื่อจะบรรลุพระอรหัตในวันนี้ส่วนสารีบุตร รับพัดแล้วก็รีบออกด้วยความคิดว่าสามเณรจะหิวก็ถ้าเมื่อสามเณร น, นี้ยังไม่บรรลุพระอารหันต์สารีบุตรจะนำพัดมาก่อนอันตรายจะมีแก่สามเณร น, นี้เราควรจะไปยึดอารักขาอยู่ที่ซุ้มประตูครั้นทรงดําริ ด, ดังนี้แล้วจึงเสด็จออกจากพระคันธกุฎีพระทับพยืนยึดอารักขา อยู่ที่ซุ้มประตูฝ่ายพระเทระก็นำพัดมาครั้นพระศาสดาตรัสถามปัญหาสีข้อกับพระเทระนั้นโดยในยักที่กล่าวแล้วในครั้งก่อนแหละในที่สุดแห่งการวิสัชนาปัญหาสามเณรก็บรรลุพระอารหันต์แล้ว